หรือตัวยาบางอย่างขึ้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมองได้แต่ก็อย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าสมองเป็นกรร ม, มชารูปวิวัฒนาการของสมองย่อมขึ้นอยู่กับวิบากที่ดีและต้องทำมานานนับกันเป็นร้อยร้อ ย, อยชาติและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะเกิดมามีมันสมองดีจริงพร้อมที่จะเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าหากพื้นจิตใจไม่สูงสมองของเขาก็จะปราดเปรื่องแต่ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะจะไม่ปราดเปรื่องทุกทางและในบางเรื่องก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะสร้างความจำให้ดีวิเศษจะต้องพยายามเสริมสร้างคุณธรรมหอย่างให้ประณีตและสูงกล่าวคือ 1. สศรัทธาต้องมั่นคงและผ่องใส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 3. สติก็อยู่ในความมั่นคงกล่าวคือจะพูดจะทำหรือคิดอะไรก็รู้สึกตัวอยู่เสมออะไรที่พูดที่ทำหรือที่เคยคิดมาแล้วจำได้ดี 4. ส, สมาธิก็มั่นคงกล่าวคือในระหว่างที่ใช้สมาธิอยู่นั้น อย่างน้อยนิวรทั้งห้าไม่ครอบงานิวรณหกามาชันทะความพอใจติดใจในกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าปรารถนาที่น่าชอบใจพยาบาทความไม่พอใจที่นามิทะความขี้เกียจท้อแท้อุทธจักุตกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย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 ซึ่งปัญญาที่ว่านี้คือปัญญาของพระอระหันต์